มักในฐานะไตรสิกขาหรือระบบการศึกษาสำหรับสร้างอารยาชนในสิกขาสูตรที่หนึ่งอังคุตรณิกายติกนิบาตพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสิกขาสามนี้สเป็นชะไหนคืออธิศีลสิกขาหนึ่งอธิจิตตสิกขาหนึ่ง อาิปัญญาสิกขาหนึ่งิุท์ทั้งหลายก็อาิศีลสิกขาเป็นไนภิสุทในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยปาติโมขสังวรสมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภายในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอาธิศีลสิกขา ภิกษุทั้งหลายก็อธิจิตตสิกขาเป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เข้าถึงทุติยฌานอันมีความผ่องใสแห่งจิตภายในมีภาวะใจเป็นหนึ่งพุทธขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร เพราะพิตกวิจารณระงับไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่เพราะปีติจางไปเธอมีอุเบกขาอยู่มีสติสัมชัญญะและสวยสุขด้วยนามากายเข้าถึงตัตยชาญที่พระอรยะทั้งหลายกล่าวว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขละทุกข์และเพราะสมนัตโทมณัตดับหายไปก่อนเข้าถึงเจตุตตาชาญอันไม่มีทุกข ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่พิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอธิจิตตสิกขาภิสูตทั้งหลายก็อธิปัญญาสิกขาเป็นจะไหนพิสูตทั้งหลายพิสูตในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอธิปัญญาศิกขาภิกษุทั้งหลายศิกขาสามนี้แหลในจุลเวทรลสูตรมัชฌิมนิกายมุลปันนาตวิสาขาอุบาสกเข้าไปถามธรรมทินนาภิกษุณีว่าข้าแต่พระแม่เจ้ากองธรรมสามหมวดคือศีลขันสมาธิขันปัญญาขันพระผู้มีพระภาค ทรงสงเคราะห์ด้วยอริยมักมีองแปดหรือว่าอริยมักมีองแปดพระผู้มีพระภาคทรงสงเคราะห์ด้วยกองธรรมสามหมวดธรรมตินาภิกษุณีตอบว่าท่านวิสาขะผู้มีอายุกองธรรมสาหมวดสงเคราะห์ด้วยอารยะอัดถังขิ้กระมักหามิได้อารยะอัดถังขิ้กระมักต่างหากสงเคราะห์ด้วยกองธรรมสามสัมมาวาจาก็ดี สัมมากัมมันตะก็ดีสัมมาอาชีวก็ดีทมเหล่านี้ส่งเคราะห์เข้าด้วยศีลขันสัมมาวายมะก็ดีสัมมาสติก็ดีสัมมาสมาธิก็ดีทมเหล่านี้ส่งเคราะห์เข้าด้วยสมาธิขันสัมมาทิฏฐิก็ดีสัมมาสังกัปปะก็ดีทมเหล่านี้สงเคราะห์เข้าด้วยปัญญาขัน